แกบรดาศิทยานุสิตสิ่งที่ท่านได้พบเห็นที่ประเทศศรีลังกานั้นเป็นประสบการณ์ที่หาค่ามิได้ไม่ว่าจะเป็นการได้พบกับสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีการได้ไปดูบ้านของชนเผ่าไทยหรือการไปเห็นนารีผลในถ้ำบนเขาสิกิริยาซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ยังไม่มีผู้ใดได้รับรู้มาก่อน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 ทว่าท่านคงไม่มีโอกาสได้ทำเช่นนั้นเพราะภาระหน้าที่ของบรรพชิตคงไม่เอื้ออำนวยให้มีเวลาไปท่องเที่ยวอีกอีกอย่างหนึง่งท่านก็ได้ประจักษ์ด้วยตนเองแล้วว่านารีผลมีจริงเมื่อมีผลก็ต้องมีต้นท่านเคยเห็นภาพที่อาจารย์เหมเวชกรวาดไว้ตามผนังโบสถ์ในภาพที่งดงามมากและเหมือนของจริงที่ท่านได้พบมาแล้ว ต่างกันนิดเดียวคือผมสีผมที่อาจารย์เหมวาดนั้นเป็นสีดำแต่ของจริงเป็นสีทองนับว่าจิตกรท่านนี้จินตนาการได้ใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดหลวงพ่อไม่เห็นมีอะไรมาฝากผมเลยพระมหาบุญทวงของฝากผมต้องขออภยัยไม่มีเวลาไปช้อปปิง้งช้อปแป้งกับใครๆคเขา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 ผมไม่ทราบหรอกครับผมเกิดไม่ทันพิกษุวัยสาสเศษอ้างเหตุผลเดิมๆ เ, เกิดไม่ทันก็รู้ได้ผมก็เกิดไม่ทันสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทำไมผมรู้ท่านพระครูแยง้งก็หลวงพ่อเก่งนี่ครับในพื้นปฐพีอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้จะหาผู้ใดเก่งกล้าสามารถทัดเทียมหลวงพ่อได้เล่า ผู้อ่อนวักว่าถือโอกาสสรรเสริญเยินยอมากไปถึงอย่างไรผมก็ไม่ลหลงไหลได้ปลื้มกับคำเยินยอของท่านทั้งนี้ก็เพราะผมมีสับปริสธรรมครบเจ็ประการโดยเฉพาะประการที่สามคืออตัญญตาแปลว่าความรู้จักตนรู้จักตัวผมดีว่าผมนั้นมีความรู้ความสามารถความถนัด และคุณธรรมแค่ไหนเพียงไรและผมก็ประพฤติให้เหมาะสมและรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไปเพราะฉะนั้นใครติชมอย่างไรผมก็ไม่ใจฟุบใจฟูตามไปด้วยคนดีต้องรู้จักตัวเองจริงไหมแม่หลวงพ่อผมพูดนิดเดียวหลวงพ่อขยายออกไปตั้งเยอะและสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองเกิดขึ้นเมื่อไรครับ ผู้อ่อนวัยกว่าย้อนกลับมาถามเรื่องเดิมถ้าผมจำไม่ผิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดระหว่างปีพุทธศักราช2457ถึง2462ส่วนครั้งที่สองเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2482แล้วไปสิ้นสุดในปี พุทธศักราช2488ถ้าหลวงพ่อจำผิดแล้วครับพระลูกวัดตั้งใจยัว่วถ้าจำผิดก็ไม่ถูกนะสิไม่น่าถามนี่ดีนะที่ท่านถามผมถ้าไปถามคนอื่นเขาต้องว่าท่านโง่หลวงพ่อนี่ฉลาดจริงๆดูเธอขนาดจะดา่าผมยังอุตส่าห์ขอยืมปากคนอื่นมาดา่าแต่ก็เอาเธอครับผมในฐานะพระลูกวัด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 ตอนสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงนั้นผมเพิ่งอายุได้17เจยังไม่ได้เกณฑ์ทหารแต่ผมก็มีส่วนร่วมในการแกล้งพวกญี่ปุ่นเพราะผมเกลียดมากถึงเดี๋ยวนี้แม้ผมจะไม่เกลียดเขาเพราะผมเป็นพระแต่ก็ยังรู้สึกว่าเขาออกเปรียบชาติเราโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและตอนนั้นหลวงพ่อแกล้งพวกญี่ปุ่นอย่างไรครับเดี๋ยวก่อน ต้องเล่าก่อนว่าญี่ปุ่นเขาทำอะไรผมถึงได้เกลียดพูดยังไม่ทันจบพระลูกวัดก็ชิงถามขึ้นว่าเขาทำอะไรเหรอครับเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆผมกำลังจะเล่าอยู่นี่ไงท่านอย่าซักมากนักสิเดี๋ยวผมเลยเล่าไม่ถูกผมก็เป็นคนประมาะเหมือนกันนะหลวงพ่อก็กำหนดสิครับประมาหนอประมาหนอ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 ผมขอเลือกหยุดพูดครับนิมนต์หลวงพ่อเล่าตกลงกันที่เรียบร้อยแล้วท่านพระครูจึงเริ่มต้นเล่าก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นพวกทหารญี่ปุ่นเข้ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วโดยที่คนไทยไม่รู้ตอนนั้นผมอายุ11ปีพวกทหารปลอมเป็นพ่อค้าหาเปร่บ้างเป็นช่างซ่อมรองเท้าอยู่ข้างถนนบ้าง คนไทยก็นึกว่าเป็นคนจีนต่างด้าวที่เข้ามาค้าขายพวกเขาแต่งตัวเหมือนคนจีนไว้ผมเปียด้วยผมเคยไปเที่ยวลบบุรีไปไหว้เจ้าพ่อสารพระการพอดีรองเท้าขาดก็ตอดให้ตะแป๊ะที่นั่งซ่อมรองเท้าอยู่ข้างทางซ่อมให้พอสงครามโลกเกิดปรากฏว่าคนพวกนี้ก็พร้อมใจกันแต่งชุดทหารพึบเลยแถมมีอาวุธครบ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 ถ้าตายก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่คนไทยจะต้องเดือดร้อนผมก็เลยเอาแค่สลบตอนนั้นผมใจร้ายมากแต่ถึงจะใจร้ายอย่างไรก็ไม่เคยฆ่าคนนะครับถ้าข้าเห็นชะลำบากลำบนมากกว่านี้เวีนกรรมมีจริงนะท่านเมื่อก่อนผมไม่เชื่อตอนบวทใหม่ๆก็ยังไม่เชื่อพอกรรมมาให้ผลจริงได้เชื่อ และเลิกสร้างกรรมทำเวรตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาหลวงพ่อแกร้งทหารญี่ปุ่นอย่างไรครับแกร้งขโมยของเช่นเสื้อผ้าน้ำมันโดยพายเรือไปเทียบกับเรือญี่ปุ่นต้องทำตอนดึกๆนะพอเทียบได้ก็ขึ้นไปขโมย ให้คนดูต้นทางให้พอญี่ปุ่นรู้ตัวก็กระโดดน้ำหนีคนญี่ปุ่นถึงฉลาดแค่ไหนก็ยังแพ้คนไทยเรื่องโกงเก่งแกล้งเก่งเนี่ยคนไทยกินขาดท่านเห็นด้วยไหมถ้าพูดแบบไม่เข้าข้างคนไทยผมต้องตอบว่าเห็นด้วยครับเรื่องโกงเรื่องแกล้งคนไทยเก่งมากมาทุกยุคทุกสมัยแล้วเรื่องทาร้ายทหารญี่ปุ่นละครับ หลวงพ่อทำอย่างไรพระลูกวัดอยากรู้มันต้องมีเทคนิคท่านต้องเรียนรู้ก่อนว่าทำอย่างไรจะไม่ให้เขาตายคือพวกเขาทหารญี่ปุ่นชอบมาฉุดคร่าลูกสาวชาวบ้านไปทำเมียถ้าพูดกันอย่างยุติธรรมเรื่องฉุดคร่าเนี่ยพวกญี่ปุ่นไม่ค่อยโหดร้ายเท่าไรเมื่อเทียบกับพวกพมา่าพม่าทากับเราโหดร้ายกว่าญี่ปุ่นหลายเท่า ผมจึงเกลียดพมา่ามากกว่าญี่ปุ่นคือผมหมายถึงเมื่อก่อนนะตอนที่ยังไม่ได้ปวดเดี๋ยวนี้เป็นพระจะโกรธเกลียดใครไม่ได้ผมจึงเลิกเกลียดแต่เมื่อไร่ที่ผมศึกรับรองว่าผมเกลียดพมา่าเป็นสองเท่าของเมื่อก่อนหลวงพ่อยังคิดจะศึกอีกเหรอครับขนาดผมหนุ่มกว่ายังไม่คิดจะศึกตั้งแต่อกหักรักเ้าวคราวนั้นแล้ว ผมก็ไม่คิดจะสึกอีกเลยพระมหาบุญเผยความในใจนอกจากนี้ท่านยังประชดด้วยการฉันเสียจนอ้วนเป็นพระสังกัดายท่านพระครูช่วยต่อให้หลวงพ่อล่ะก็ชอบพูดถึงปมด้อยของผมอยู่เรื่อยที่ผมแกล้งทำให้ตัวเองอ้วนลงพงจนดูน่าเกลียดก็เพราะผมไม่อยากให้สาวคนไหนมาหลงรักผมอีก เรียกว่าผมดำเนินรอยตามพระมหากัจยนะถึงแต่ก่อนรูปร่างจะหล่อเหลามากจนผู้ชายด้วยกันยังหลงรักตอนหลังก็เลยในระมิดกายให้อ้วนจนดูน่าเกลียดคนเลยเรียกว่าพระสังก จ, จายทีนี้ผมก็ยังไม่เก่งถึงกับเจนเนร์มิดกายก็เลยต้องฉันให้อ้วนแทนหลวงพ่อครับ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 เพราะถ้าเป็นผมคงจะดูไม่ออกว่าเขาสลบหรือว่าตายผมถึงบอกว่ามันต้องใช้เทคนิคอย่างไรล่ะท่านพระครูย้ำหลวงพ่อจากรุณาบอกเทคนิคที่ว่าได้ไหมครับได้สิท่านเอาไปใช้ได้เลยนะรับรองว่าไม่มีพลาดแต่ต้องสึกเสียก่อนนะถ้ายังไม่สึกอย่าใช้เดี๋ยวจะต้องอบาบัด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 แลวถ้าเกิดพลาดไปถูกที่อื่นแล้วครับพลาดไม่ได้สิเพราะถ้าพลาดก็อาจทำให้ถึงตายได้หรือถ้าไม่ตายเราก็จะเดือดร้อนเพราะเขาจะตำหน้าได้แล้วก็พาพรรคพวกมาเล่นงานเรามันต้องมีเทคนิคในการตีด้วยคือต้องย่องเข้าไปด้านหลังแล้วเรียกให้เขาหันมา จังหวะที่เข้าเหลียวมานั้นเราก็ใช้ไม้คมแฝกฟาดเปรี้ยงลงไปที่ตรงทัดดอกไม้รับรองว่าสลบเหมือดทุกรายผมลองแล้วไม่มีพลาดสักรายถ้าท่านคิดจะศึกก็มาขอเรียนวิชานี้กับผมได้ผมเต็มใจสอนให้โดยไม่ต้องมีค่ายกครูศึกออกไปจะได้มีอาชีพท่านพูดยิ้มยิ้ม อาชีพรับจ้างตีหัวคนน่นแหละครับงั้นสิรับรองว่ารวยแน่หรือไม่ก็ไปรุ่งเรืองอยู่ในคุกเรื่องรวยนั้นผมต้องการแน่นอนแต่เรื่องไปรุ่งเรืองในคุกผมไม่รับประทานด้วยต่อให้เป็นเจ้าพ่อคุกผมก็ไม่ปรารถนามหาวัยสาสิบเศษไม่เห็นด้วย ตามใจท่านก็แล้วกันถ้าเปลี่ยนใจเมื่อไรก็มาบอกผมได้ผมจะสอนให้ทันทีผู้อาวุโสกว่ายังคงยั่วยาหลวงพ่อครับที่ผมอยากรู้ตอนนี้ก็คือหลวงพ่อทำอย่างไรถึงไปตีทหารญี่ปุ่นได้ ไปซุ้มดักตีหรือว่าเข้ามาให้ตีพระลูกวัดยังไม่หายสงสยัยไม่ใช่ทั้งสองอย่างที่ใช่ก็คือตีตอนเขารำวงคือสมัยนั้นจอมพลปอท่านให้จัดงานรำวงขึ้นทุกหมู่บ้านเพื่อให้คนไทยได้รีแลกท่านใช้สับภาษาอังกฤษอะไรแหลกนะครับ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 แล้วทหารญี่ปุ่นเขามารำด้วยหรือครับแล้วเขาราเป็นหรือภิกสุช่างสงสัยยังคงถามเย่าว่าแต่คนญี่ปุ่นจะรําไม่เป็นเลยคนไทยที่รําไม่เป็นก็ยังมีอีกมากทั้งที่รําวงเป็นวัฒนธรรมไทยบางคนรําท่าจับแกะบ้างก็ราท่าควักกะปิบ้างก็รํ า, ะะารท่าแรงปีกหักหมั่วกันไปหมด จะหาใครลำสวยเท่าผมนั่นยากเต็มทีท่านทำท่ายืดอกขณะพูดทำไมหลวงพ่อถึงํำสวยกว่าเพื่อนล่ะครับถามอย่างนึกสนุกเพราะผมชอบดูลิเกนะเซผมจำมาจากลิเกท่านอยากคิดว่าการดูลิเกไม่มีประโยชน์ว่าที่จริงแล้วเราสามารถหาประโยชน์ได้จากทุกสิ่งที่เราผ่านพบ ในความร้ายก็มีความดีแฝงอยู่อย่างการดูลิเกถ้าเราจะเอาประโยชน์ก็ได้มากมายเป็นต้นว่าการใช้ราชาศัพที่พวกลิเกเขาเก่งมากคนที่ดูบ่อยๆสามารถพูดราชาศั์ได้อย่างถูกต้องเรื่องนี้ผมเคยเห็นมาแล้วครับผมก็เชื่อว่าหลวงพ่อเคยเห็นมาแล้วแต่ที่ผมอยากทราบก็คือ หลวงพ่อตีทหารญี่ปุ่นตอนไหนตอนรำวงหรือว่าตอนหยุดพักแม้ถามละเอียดดีจังผมก็จะเล่าให้อย่างละเอียดเช่นกันคือพอรำวงเขาก็จะมีเล่ายาปลาปิ้งมาเลี้ยงกันคนไทยก็จะพยายามหม่อมเล่าทหารญี่ปุ่นพวกนั้นก็หลงกลดื่มจนเมาออมมยแล้วก็จะออกไปรำวง ผมก็จะรำด้วยพอพวกญี่ปุ่นเริ่มเมาผมก็ส่งซิกแนลบอกพรรคพวกเราก็จะเอาไม้ที่ซ่อนไว้ออกมาแล้วเรียกญี่ปุ่นพอเขาเหลียวมาเราก็ฟาดเปลี่ยงตรงทัดดอกไม้พวกนั้นก็สลบเหมือดเลยจากนั้นก็วงแตกบ้านใครบ้านมันส่วนเจ้าของบ้านที่เป็นเจ้าภาพ ก็จะรอให้ทหารที่ไม่เมามาหามเพื่อนที่สลบสลายกลับไปเยียวยาผมก็แอบส่งคนไปสอดแนมปรากฏว่าไม่ตายสักรกายเดียวนี่คือวีรกรรมที่ผมได้ช่วยชาติและผมได้ภาคภูมิใจมาจนบัดนี้แล้วมีบ้างไหมครับที่หลวงพ่อเมาจนลืมส่งสัญญาณผมไม่เคยเมาเพราะผมไม่ดื่ม ผมเกลียดคนดื่มเหล้ามากถ้าดื่มผมคงคมไม่ได้มาเป็นพระอยู่อย่างนี้งคงกลายเป็นคนขี้เหล้าเมายาหรือไม่ก็เป็นโรคตับแข็งตายไปนานแล้วผมเกลียดเหล้ามากเกลียดคนดื่มเหล้าด้วยสมภารวัดป่ามะม่วงพูดเสียงหนักแน่น